เรื่องบันเาอหนึ่งเรื่องสมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายิชษีทั้งหลายจับภิกษุให้เสดเมุนธรรมกับบันเดอภิกษุยินดีพึงให้ศึกเสียถ้าไม่ยินดีไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่75ห